ความไม่แน่นอนที่ไม่อาจคาดการหรือทำนายได้หาประการนีนะ้เป็นสิ่งที่ทำให้ความตายก็กลายเป็นเรื่องที่ดูน่ากลัวยิ่งขึ้นในสายตาของคนทั่วไปคือลําพังเนี่ยพอรู้ว่าต้งตายอยู่แล้วเนี่ยนะอันนี้มันก็ก็ทาความบันไว้ให้กับคนมันจำนวนไม่น้อย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 แผการทั้งหลายทั้งปวงที่วางไว้พังทลายอย่างสิ้นเชิงความไม่นานงานของความตายนะก็เลยทำให้ความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายหลายคนเนี่ยไม่อยากจะนึกถึงเพราะถ้นึกถึงแล้วนะก็ดูเหมือนว่าไม่รู้จะวางแผนชีวิตไปทำไมนะ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 แล้วรู้ตัวอย่างสงบแม้ว่าทุกขเวทนาจะแลงกล้าแต่ว่าใจนี้ไม่ทุกขทรมานนะทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เราหลีกหนีได้ยากหลีกหนีไม่พ้นนะพระพุทธองค์เองก็ไม่สามารถจะหลีกหนีทุกขเวทนาได้โดยเพราะเมื่อพระองค์กล้าจะปรินิพพานแต่ว่าทุกขเวทนานั้นเราสามารถที่จะ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 วางใจในที่หมายถึงการฝึกด้วยไม่ใช่แค่อมองเฉยๆแล้วก็ในถ้าเราศึกษาทางพุทธประวัตินะก็จะพบว่านะหลายท่านไม่ว่าจะเป็นพระก็ดีภิกษุภิกษุณีก็ดีหรือว่าครือหัดก็ดีหลายท่านก็บรรลุธรรมได้ในช่วงที่ กำลังเจ็บปวดนะอย่างเช่นพระติสาซึ่งทุกทรม ท, ทุกมีทุกขเวทนาจากความเจ็บปว่วยนะแผลผุพองเต็มไปหมดนะต้องนอนโดยไม่มีใครรักษาพยาบาลเพราะว่าเป็นที่น่ารังเกียจนะอุจจลระปัสสาวะหรือน้องนี่ก็ไหลเลอะ แต่เมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จมาพยาบาลมาช่วยดูแลเช็ดีวรให้เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แล้วก็ได้พูดน้อมใจของพระติสสะให้เห็นว่าความไม่เที่ยงของสังขารที่มันเป็นธรรมดาเมื่อตายไปแล้วก็ก็เหมือนกับ่อนไม้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 โดยเราลึกถึงความตายอยู่เสมอมันจะไม่เพียงแต่ช่วยทำให้เราเนี่ยฝึกใจจนพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากความตายไปในทางที่หลุ่นส่งให้เกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจถึงขั้นหลุดพ้นได้เท่านั้นแต่ว่ายังสามารถที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างโปร่งเบา ได้อย่างมีคุณค่ามีความหมายนะเมื่อใดก็ตามที่เราลึกถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยถ้าเราเ ร, าราลึกนะอย่างอย่างอย่างมีใจน้อมนําอย่างมีสมาธิเพียงพอเนี่ย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 สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็รู้ว่ามันสำคัญแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามักจะผัดผรอยู่เสมอเพราะมันไม่มีเส้นตายงานการมีเส้นตายนะและบางทีเส้นตายนี่ก็รวมไปถึงการเที่ยวนะเทศกาลลดราคามีกำหนดเส้นตายที่ต้องไปคืนนี้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 ครอบครัวให้เวลากับลูกให้เวลากับตัวเองให้เวลากับพ่อแม่ให้เวลากับจิตใจใการปฏิบัติธรรมก็ถูกผัดผ่อนเล่อยไปแต่เมื่อเราเล่ถึงความตายเมื่อไหร่เราจะเรู้เลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะเริ่มมีความสําคัญขึ้นมากลายเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะการจัดระดับความสําคัญนีตจะเริ่มเปลี่ยนไปเราจะให้เราจะขนควายในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อนแต่ในเวาเดียกัน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 ส่วนนึงอาอาลายพาะเราซึ่ว่าเรายังทำหน้าที่ให้กับเขาอย่างไม่ดีพอแต่ส่วนนี้เราก็จะตระหนักว่าถ้าเรายังมีความผูกพันอย่างนี้อยู่จนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายเราจะไม่สามารถจากไปอย่างสงบได้ถึงตรงนี้แหละที่เราจะตระหนักว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง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 ไม่ใช่ทำให้เราเกิดจิตใจหดหูเศร้าหมองอถ้าเราพิจารณาแล้วเกิดความหดหูเศร้าหมองนี่แสดงว่าพิจารณาผิดแล้วมรณาสติใ น, นพิจารณาต้องทำให้เกิดความกระตือรือร้นที่ภาษาทางภาษาสอนว่าความไม่ประมาทเกิดความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งต่างๆนะที่สมควรทำ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 แต่เมื่อไม่เสร็จแล้วเราฝึกตายอยู่เสมอเราก็เรียรู้ที่จะปล่อยวางแม้งานน่นจะสำคัญแค่ไหนไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จแต่ถ้ามองในทางธรรมแล้วมันเสร็จทุกวันอยู่แล้วนะมีคนมาถามมาบอกท่านเจา้ธธาพุทธว่าสวนโมมมีตึกหลายตึกนะไม่เห็นเสร็จสักทีเป็นปีเป็นปีปีแล้วนะตึกนั่นก็ไม่เสร็จตึกนี้ก็ไม่เสร็จนะ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 ที่จะมาเขี่ยวเข็นให้เราเนี่ยไม่ประมาทได้และเมื่อเราได้ถึงความตา ย, ยเสมอเนี่ย mm hmm. ก็พยายามใช้จึงเราเนี่ยไปในทางที่เป็นการเตือนสติเตือนใจไม่ให้ไม่ให้ประมาทอยู่เสมอ mm hmm. การพิจารณาความตายเนี่ยหรือมรณสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําบ่อยๆในสายพุทธกาลเนี่ยคราวหนึ่งพระองค์ได้ตัดถามพระภิกษุว่า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 รูปแรกบอกวันเดียวหนึ่งวันกันหนึ่งคือรูปที่สองบอกหนึ่งวันนะรูปที่สามบอกว่าข้าพระองค์พิจารณาว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ครึ่งวันเมื่อเราลึกได้ช่นนั้นก็ตั้งใจปฏิบัติ ต, ตามคําสอนพร ะ, ะองค์รูปที่สี่บอกว่าข้าพระองค์คิดว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ชั่วเพียงแค่ฉันอาหารได้มือหนึ่งเท่านั้นเอง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 คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเท่านั้นเทวทัตจะหมายถึงทรัพย์สมบัติที่มันหลุดจากมือเราไปมันพลัดพร า, ากจากเราไปสิ่งเหล่านี้คือเทวทูตหรือสัญญาณเตือนว่าเราต้องสูญเสียมากกว่า น, นี้และที่สุดของความสูญเสียคือความตายเราทําใจได้หรื อ, อยังเวลาของหายหรือเรายัางทําใจไม่ได้ถ้าเราทําใจไม่ได้แล้วเราจะทําใจ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 ก็ะจะเป็นลูกศิษย์เราที่อาพาธนะท่านเห็นหลวงปูดด่ดวงก็ก็ดีใจก็กราดท่านหลวงปูดด่ดวงก็ก็ยิ้มยิ้มนะฮะแล้วก็พูดท่านสั้นว่าให้การปฏิบัติของเราทั้งหมดที่เรามาปฏิบัติมาเนี่ยก็เพื่อวันนี้เท่านั้นเนี่การปฏิบัติของเราทั้งหมดก็เพื่อมาใช้ในวันนี้เท่านั้น ขอให้จิตเนี่ยนะเพ่งเป็นหนึ่งละวางทุกสิ่งนะให้จิตเป็นหนึ่งนะละวางทุกสิ่งนะท่านก็แน่เท่านี้วราคิดว่านี่แหละคือวิธีการที่ทำให้ความตายเนี่ยเป็นเป็นโอกาสในทางจิตวิญญาณได้นะอันนี้เรียกว่าอยู่เหนือความตาย ใช้ความตายเป็นเป็นพลังที่จะผลักให้เราเนี่ยอยู่เหนือความตายนะเมื่อกั้ที่ผู้เจ้าเดนเน่ให้รู้จักใช้ความทุกข์เป็นแรงผลักดันให้เราสามารถที่จะอยู่เหนือความทุกข์ได้นะ่าจะมาคิดว่าอันนี้แหละคือคือ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 อาจจะเป็นการอุ่นเครื่องนะครับผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมคําถามอะไรเพราะ อ, อาจารย์กล่าวไว้ก็แค่จะแจ่มชัดดีแล้วนะครับแต่ถ้าถ้าสมจำไม่ผิดจะเคยได้ยินคําว่าคนเราเนี่ยทุกคนตายแน่นอนเหมือนกันหมดแต่มีความแตกต่างกันในหลายหลักษณะไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างครับพระอาจารย์คือตัวกําหนดสําคัญคือกรรมนะกรรมเนี่ยแน่นอนสถานที่เวลา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 นะตัวกำหนดอันหนึ่งก็คือเรื่องของนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นนะคือเวลาเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะในทางพุทธศาสนาก็บอกว่าก็จะมีการระลึกถึงเรียกระลึกถึงกรรมหรือกรรมอารมณ์คือการระลึกถึงกรรมต่างๆที่ตัวเองได้ทำเอาไว้ในอดีตในชาตินี้นะ ซึ่งมันก็ตรงกับที่ทางทางทางทางฝรั่งเนี่ยเขาได้ศึกษาพวกคนใกล้าตาเยเขาจะพบว่ามันมี ม, นมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไลฟ์รีวิวไลฟ์รีวิวก็คือทลับแปลงง่ยคือการทบทวนชีวิตที่ผ่านมาแต่มันเหมือนกับว่าความทรงจำต่างๆเกี่ยวกับอดีตไม่ว่าเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆเรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยไม่ว่าบวกหรือลบกุศลหรืออกุศลเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาและตัวเองเนี่ยเหมือนกับเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้น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 อย่างในสมุทตกันก็มีก็มีคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นพรานเมื่อจะตายเนี่ยก็จะก็จะเห็นหมาป่าคล้ายๆจะมักมางับมาไล่แต่นั้นเป็นคตินิมิตนะในตำราเขาบอกเป็นคตินิมิตคือคือภพภูมิที่จะไปเกิดภพภูมิที่จะไปเกิดนี่จะแสดงจะบ่งบอกเป็นสัญญาณในรูปของนิมิตที่เกี่ยวกับว่ า, าจะไปเกิดในภพไหนเช่น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 อันนั้นขออนุญาตถามต่อหน่อนึงะครับอาจารย์แล้วถ้าสมมุติเราเร า, เราอยู่ในอย่างเช่นเป็นญาติเราเนี่ยครับเขามีอาการเหมือนกับเป็นกรรมนิมิตเห็นพวกภาพหลอนอะไรต่างๆแล้วเราจะช่วยเขาได้ยังไงไหมครับอาจารย์เอ่ อ, อบายเมื่อกี้ตัวอย่างในพรานที่เขานึกถึงที่ก็เห็นหมาป่าจะมาไล่กัดเขาน เ, เนี่ยเพอร์เนี่ยลูกชายของนายพรานนั้นเป็นเป็นพระนะ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 หรือเทวดาไปเลยก็ได้เจ้าแม่กวนอิมอะไไปเลยก็ได้นะแต่ไม่รู้รวมจะตุกคามหรมืออ่างนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ถูกมาใช้เพื่อการนี้นะส่วนใหญ่พืดถเรื่องแต่เรื่องการค้าพอคิดตรงนี้เนี่ยใจก็เป็นกุศลเพราะจะเป็นกุศลเสร็จพอตายตอนนั้นพอดีเรียกว่าอสัญกรรมเป็นอสัญกรรมที่ดีอกอสัญกรรมคือกรรมจนเจ็บกรรมใกล้ตายพูดง่ายๆซึ่งส่วนใหญ่หมายถึงกรรมทางใจมโนกรรมก็เลยไปสู่สุคติแทนที่จะไปสู่นรกภูมิหรือไปสู่ทุคติ แล้วเราจะเห็นได้ว่ามีธรรมเนียมของคนสมัยก่อนเช่นในพระอิศานี่เมื่อจะตายเนี่ยก็จะให้คนป่วยเนี่ยซึ่งไม่ไม่ค่อยรู้ตัวแล้วเนี่ยถือดอกไม้ทุกเทียนบอกว่าจะไปบูชาพระเกศแก้วจุลามณีเจดีย์บนสวรรค์นะเพราะมีความเชื่อว่ามีเจดีย์ที่บรรจุพระเกตของพุทธเจ้าอยู่บนสวรรค์นะเมืม่อคนป่วยเนี่ยเขาเขา ได้รับการเตือนให้ระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าใจเข้มเป็นกุศลนะหรือว่าบางทีก็มีธรรมเนียมให้พระเนี่ยมาบอกก่อนตายบอกอรหันต์ก่อนตายแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่เห็นมันต้องจำกัดเป็นพระก็ได้ญาติญาติก็ทำได้อาตมาก็ได้พบหลายกรณีที่ญาติเนี่ยเช่นพี่น้องหรือว่าหลานหลานเนี่ยมาช่วย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 คือปลาแบบไปแบบสงบเลยแหละทั้งทั้ที่เป็นมะเร็งนะแต่ว่าเรียกว่าแกจะแกจะแกไม่ไม่ทุรนทุรายไม่เ ล, ลยเลยนะคือไปอย่างไปอย่างเหมือนกับดอกเหมือนกับใบไม้ที่ล่วงหล่นจากต้นสงบเป็นธรรมชาตนะิเพราะว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลไม่มีอะไรที่ต้องห่วงหาอะไรอันนี้ต้องอาศัยคนที่ช่วยแนะนําซึ่งสมัยนี้ก็ต้องเป็นคารวะหรือว่าญาติญาติพี่น้องนั่นแหละดีที่สุดเออ จะหวังพึ่งพระก็กคงไม่ทันการไม่ทราบใครมีคำถามอะไรไหมครับจริงๆไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความตายก็ได้นะครับสามารถถามได้หมดเลย <c oughs> เพราะว่านี่ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ได้ทางชมรมของเรามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอย่างท่านพระอาจารย์ไพสานะครับซึ่งทุกทา่านคงาะทราบกันดีอ่า มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับางานคงจะไม่มีมีไหมครับถ้าทางจะมีส ก, กูนะครับครับนักมสการพระอาจารย์ครับเออพอดีเมื่อเดือนมีนานได้ไปโอกาสไปเวียดนามนะครับแล้วก็ไปวัดอยู่วัดหนึ่งเป็นวัดสำคัญแล้วก็มีหลวงพ่ออยู่รูปหนึ่งที่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 ถ้าดูจากที่เขาถ่ายไปให้ดูนะครับก็เลยอยากจะขอความรู้ในเชิงจิตอะไรต่างๆจากพระอาจารย์ครับเรื่องนี้นี่ท่าน <c oughs> ท่านติสทัดทานก็เคยอธิบาย <c oughs> เมื่อตอนเกิดเหตุใหม่ๆพระรูปที่เผาตัวเองเนี่ยก็คือพระติกวงดุกแล้วก็คือท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์นะสึกปีนี้จะอายุครบร้อยพดอดีท่าน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 เห็นได้ไปูหลังกำลังภายในใช่ไหมเห็นตรงเนี้ทูบจี้บางนิกายเนี่ยไม่ใช่เอาทุบจี้เดียวเอาเหล็กเอาเหล็กร้อนเนี่ยนาบแขนชนิกายนิปอนซันมิโยจิในขณะที่กําลังอุปสมบทเพราะในขณะอุปสมบทเนี่ยก็จะกล่าว ค, คําคือแค่เป็นคําปฏิญาณคนเราเวลากล่าวคําปฏิญาณว่าจะบวชจะบวช เ, เ, เพื่อ พ, พระพุทธธรรมประสงค์หรือบวชเพื่อการขัดกล่าวกิเรหรือบวชเพื่อ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 คือการพิสูจน์ตัวเองโดยอาศัยความเจ็บปวดเนี่ยมาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราได้เชื่อในเรื่องของอุดมกตินั้นจริงๆคราวนี้ท่านก็ท่านตินหานก็อธิบายว่าเวลาเราพูดถึงสันติภาพเราพูดได้ในห้องแอร์เราพูดได้ในขณะที่เราสบายสันติภาพเพื่อชอพมา่าสันติภาพเพื่อขเขมรสันติภาพเพื่อเพื่อในสุดาในระบันดาอะไรเงี้ย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 นะอันนี้เนี่ยท่านติโกนทุกเนี่ยท่านก็ต้องการยืนยันว่าท่านพร้อมจะสละชีวิตเพื่อสันติภาพในเวียดนามแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะยืนยันตรงนี้ได้ก็คือการใช้ไฟเนี่ยนะที่จะโหมทั่วล่างก็อย่างที่คุณเห็นก็คือว่าท่านติโกนทุกก็ไม่ได้ทุกทรมานอะไรนะจะมอนิ่นงแง่หนึ่งคือมอนี้ของการฆ่าตัวตาย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 เพื่อต้องการรักษาชีวิตของคนเวียดนามที่กําลังจะตายเพราะสงครามแต่ว่ า, าวิธีการของท่านก็อาจจะเรียกว่าช็อกโลกซึ่งก็อาจจะเป็นความประสงค์ของท่านคือต้องการช็อกเพื่อให้คนเนี่ยหันมาตื่นตัวทันทีว่าเวียดนามกําลังจะลุกเป็นไฟนะซึ่งก็ได้ผลนะเพราะว่าตอนนั้นปี 2,106 คนยังไม่ค่อยสนใจเรื่องเวียดนามเท่าไหร่ก็ได้ผลแต่ว่าก็ทําให้เกิดคําถามขึ้นมา มากมายอันนี้ตอนตีนทหารก็อธิบายแบบนี้พระอาจารย์ชจ้าค่ะอยากจะให้เพื่อนๆได้มีโอกาสรับทราบแล้วก็ร่วมเป็นกําลังกับพระอาจารย์ในงานเครือข่ายพุติกาและการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยค่ะคือตอนนี้เครือข่ายพุติกาเนี่ยทํา2เรื่องใหญ่อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของเรียกว่าฉลาดทําบุญฉลาดทําบุญก็คือทําบุญที่มันถูกต้องให้ทําบุญและถูกต้องตามพุทธศาสนาคือ เกิดทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเกิดทั้งประโยชน์ทางวัตถุที่เรียกว่าทิฏฐามิกระทะเกิดทั้งประโยชน์ทา ง, งจิตใจเรียกว่าสัมปรายกัตทะหรือว่าลดละตัวตนที่เรียกปรมัตทะมันต้องเรียกว่าทรีอิวันทำอย่างเดียวได้ทั้ง3อย่างซึ่งแต่ก่อนก็เป็นอย่างนั้นชาวบ้านสมัยก่อนนะชาวบ้านเวลาปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ได้ปลูกต้นไม้เพื่อเพื่อให้มันมีต้นเมื่อให้มีผลไม้เพื่อมีร่มเงาอย่างเดียวชาวบ้านเวลาปลูกก็จะก็จะอธิษฐานว่า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 ก็ตายอย่างฉลาดคือตายแบบสามารถที่จะประคองใจให้เผชิญให้ถึงความสงบได้หรือดีอยิ่งกว่านั้นคือได้ได้บรรลุถึงความสว่างความสว่างคือเกิดปัญญาจนกระทั่งปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ไม่เหลือตัวตนให้ใหยึดถือต่อไปเานั้นโครงการประชุมกลางสงบเนี่ยที่เราทำการเนี่ยส่วนนึงก็เป็นเรื่องการอบรมเรามีการอบรมทุกเดือน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 จาประสบการณ์แล้วพบว่าผู้ป่วยจํานวนมากตอนนี้เนี่ยแม้ก็จะมีญาติแม่เขจะมีพ่อแม่เนี่ยแต่ว่าคนไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมที่จริงๆนี่คนไม่ค่อยมีเวลาไ ป, ไ, ปไม่มีเวลาให้กับให้กับกันและกันเท่าไหร่อย่าว่าแต่คนป่วยเลยมีลูกเนี่ยยังไม่มีเวลาเลี้ยงลูกเลยต้องให้ไปเข้า nursery เหน ไ, ไหมยิ่งคนป่วยเนี่ยนะอยู่โรงพยาบาล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 เพิ่มงานของโรงพยาบาลเหมือนกันตอนที่เราไปทําอาสาสมัครไปเยี่ยมไปไปนวดเด็กเด็กที่บ้านปากเกร็ดนะเดี๋ยวพรุนี้เนี่ยถูกทิ้งนะแล้วก็พอมาอยู่บ้านปากเกร็ดก็ได้แต่นอนอ า, าสาไม่มีไม่พี่เลี้ยงเนี่ยไม่มีมีมีไ ม, ม, ม, ม, ม, ม่มากพอที่จะพอที่จะดูแลเพราะเด็กเราเนี่ยไม่เคยได้รับการอุ้มนอนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอร่างกายกายภาพเนี่ยแย่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 เพิ่งเริ่มปีนี้ก็เราก็มีเว็บไซต์ฮะถ้าท่านสนใจก็มาเปิดดูได้ boot net, boot net. Fo, b ูดเ e น็ตบูดเน็ตดอทอินโฟบูดเน็ตเนี่ยฮะแล้วก็ Info